ถอดออกมาจากความเป็นของจิตถ้าพูดถึงเรื่องดูหนังสือเราดูมากจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ก็ลืมมากพอๆกันจนแทบจะไม่มีอะไรเหลือนะตำรับตำราคำพีไม่ได้ดูมากเฉพาะอภิธรรมพระอภิธรรมไม่ค่อยได้ดูมากพระวินัยพระสุตันตะดูมาก ส่วนพระอภิธรรมเรายอมรับว่าเราไม่ค่อยได้ดูมากอภิธรรมคือเรื่องจิตตาภาวนาล้วนๆพูดแต่เรื่องจิตหมุนเข้าหมุนเข้าจึงว่าอภิธรรมธรรมที่ละเอียดสุขุมมากพระสูตรพระวินัยปิฎกจากนั้นก็พระอภิธรรมท่านถอดออกมาจากพระไตรของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปึงขึ้นมานี้ ดกใหญ่ขึ้นแล้วแต่ก่อนก็สังคยนาร้อยกรองธรรมวินัยจึงมีผู้คิดว่าต่อไปผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมด้านวินัยนี้จะค่อยล่วงไปล่วงไปให้รีบจดจารึกวิเสียจึงได้จดจารึกออกมาเป็นคำภีเนี่ยลละจึงได้เป็นคำภีออกมาแต่ก่อนออกจากพระไทยพระพุทธเจ้าล้วนๆประสงค์สาวกเหมือนกัน บรรลุธรรมปึงพระไตรปิฎกขึ้นพร้อมๆเป็นธรรมแท้ไม่ใช่ธรรมความจำเป็นธรรมความจริงเกิดขึ้นมาและเป็นสมบัติของตนด้วยด้วยตลอดทงนี้เวลาออกไปหาคำภีแล้วก็เลยเป็นขนงออกไปขนงเลื้อยไปไม่มีสิ้นสุดแต่หาจะยึดจะจับจะเกาะจะเป็นสาระอะไรก็ไม่ได้ถ้ามีแต่ศึกษาเล่าเรียนมีแต่ความจำ คือคลานไปอย่างนั้นไม่ได้สาระเราไม่ได้ประมาทไม่ประมาทยังไงก็เราก็เรียนเหมือนกันนะมันไม่ได้หลักได้เกณฑ์ น, นะเพียงเรียนเฉยๆมันคืบมันคลานลูบไปคลาไปคลาไปว่าบาปบุญสงสัยไปพร้อมนะพระพุทธเจ้าสอนลงอย่างถูกต้องแม่นยาบาปมีบุญมี รู้แล้วเห็นแล้วจึงนำมาสอนไอ้พวกที่ไปอ่านตามตำรบตาราบาปมีจริงเหรอบุญมีจริงหรือจนกระทั่งเรียนไปถึงนิพพานยังไปตั้งเวทีกับนิพพานนิพพานมีจริงหรือนั่นเห็นไหมนี่ความจำมันไม่ใช่ความจริงความจริงคือเกิดขึ้นกับตรงนั้นกับใจกับใจรู้ที่ใจเห็นที่ใจเป็นสมบัติของตน เป็นลำดับลำดาไปความจําไม่เป็นนะหลงลืมไปได้นี่ละภาคปฏิบัติเรานำมาพูดเอาความจริงออกมาพูดใครจะหาว่าโอ้ว่าอวดว่าขวานพาซากกระแทกแดกดันก็ตามเราไม่มีความรู้สึกในทางนั้นมีแต่ความจริงว่าไปตามความจริงดังที่ได้เคยเล่าให้บรรดาพี่น้องลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายฟังตลอดมา การเทศนาว่าการอย่างทุกวันนี้กับแตกอนเป็นคนละโลกคือแตกรก็เรียนคำภีมาด้วยกันอ่านมาด้วยกันไม่ว่าท่านว่าเราพระทั่วประเทศไทยเราศึกษาเล่าเรียนมาตามคำภีตามคำภีเวลาเทศก็เทศไปตามตำรับตำราท่านเหมือนเราเราเหมือนท่านเป็นธรรมดาไม่มีอะไรสะดุดใจ